ب ิ سم ิ LLlahi r-Rahmani r r a الحمد لله ربنا نمين وبه نستعين a l l a h ص ل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดพระสนับแต่พี่น้องนะครับผู้ที่มาศึกษาในวันนี้ รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับอยู่ในสุรทิบรอหีมนะเขียย่หนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ห้าอายะนะครับอายะที่สามสิบสองถึงอายะที่สามสิบหกสุริบรอหีมสองสิบสองนะครับสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้า สามสิบหกห้าอายะนะวันนี้เนะื้อหาเนี่ยมาเกี่ยวกับน บ, บีประหลอฮีมและนะครับที่ผ่านมาชื่อหัวข้ออิบรอฮิมแต่ยังไม่เจอตัวน บ, บีประรอฮีมคนที่เจอแล้วนะครับตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าตัวอาของน บ, บีประหลอฮีมน บ, บีประรอฮีมขอตัวอารยังไงนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นชื่อเดียวกันนะถ้าผ่านสองสัปดาห์นี้ เราจะได้ดุอาจากเนบีละรอฮิมหลายบทในอายะฮ์ที่32นะครับอลัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าอัลลอฮุมนได้ข้ากามาว่าที่วันอัลลอ์นั้นเป็นผู้ซึ่งทำไมเอ่ยขอลแล้วก็สร้างบางคนใช้คำว่าเนรมิตนะครับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินให้มันมีขึ้นมา ว่าอันเจริมินัสสามารถอิมาณนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันหล่นลงมาตกลงมาก็คือน้ำฝนนี่แหละฝักรารยาบิฮีมินัสสามารถแล้วก็ด้วยกับเหตุตรงนั้นเนี่ยนะครับที่น้ำตกลงมาเป็นน้ำฝนอักรยาบิฮีบิดัสสามารถทำไมเอ่ยสามารถพืชผลมันก็งอกเงยออกมา พือ ผ, ผลงอมาทำไมครับกรสกและกุมเพื่อที่จะเป็นปัจจัยยังชีพให้มนุษย์ได้ได้ใช้ได้กินนะครับเป็นอาหารเป็นสเสบียงหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตรัสไ ว, ว่าวัซักขาละกุมนะครับอัลลอฮ์ในทำให้ทำไมเอ่ยมีการเคลื่อนที่แก่พวกท่านอัลฟุลกะ เรือนะครับพาหน้าที่เราใช้ในน้ำเนี่ยนะครับลิตัเจรียาซินบารีบิอัมรีฮีนะให้มันเคลื่อนที่ไปในในมหาสมุทรวอซักขากุ้มอันธานะทำไมเอ่ยหลังจากนั้นก็ให้อันธาลำน้ำเนี่ยมันก็ไหลไปเหมือนกันมีทั้งทะเลด้วยอันธาแล้วก็เป็นมาน้ำด้วย นะอันนี้ในอายานนี้ความหมายคร่าวๆนี่อลัลลอฮฺพูดถึงการสร้างแล้วก็ให้สิ่งเหล่านั้นทำไมเอย่ยให้ประโยชน์กับมนุษย์มีเงอคิดหลายประการในอายานนี้นะครับเอ่อมันสามสิบสองสามสิบสามสาสิบสี่เนี่ยจะพูดถึงเนี่ยมันความโปรดปานประโยชน์ที่อลัลลอฮให้กับมนุษย์นะสามสิบห้าสามสิบหกก็จะมาเกี่ยวกับนบีประยัน ในย่อที่32เนี่ยนะครับอาเลียยกกรณีของการสร้างของพระ อ, องค์ชั้นฟ้าและก็แผ่นดินนะด้วยกับลักษณะตรงนี้พระ อ, องค์จึงมีพระนามว่าอันคอลิกเป็นพระนามด้วยและก็เป็นคุณลักษณะด้วยบางอย่างชื่อนะเป็นแค่ชื่อเราไม่ได้ทำเช่นคนชื่อสมชาย สมชายแปลว่าเหมาะเหมาะสมจะเป็นชายคือมีความเป็นชายแต่ว่าอาจจะไม่แมนก็ได้อาจจะออกนิ่มๆหน่อยคือชื่อกับลักษณะไม่ได้ไปดดวยกันนึกออกไหอีกคนชื่อสมหญิงชื่อสมหญิงแต่ว่าตัวจริงห้าวสมมุตินะครับแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่าในเรื่องเพศสภาพแต่พูดถึงว่าบางทีชื่อกับลักษณะไม่ได้ไปดดียกันแต่ว่าอิสลามเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัลลอ เขาถึงเรียกว่าตา๋อฮิตอัสมวาวะซิฟาตพระนามชื่อและเกาะซิฟาตคุณลักษณะเนี่ยไปด้วยกันนะฉะนั้นถวเวลอเอาลอัลลอฮ์สร้างเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างด้วยเป็นผู้สร้างลักษณะเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็เป็นพระนามของพระองค์ด้วยอันคอลิกมาจากคําว่าขอละกที่แปลว่าสร้างนะครับเคยนําเสนอพี่น้องบางคนบอกว่าควาว่าสร้างเนี่ยใช้กับอลัลลอฮ์ไม่เหมาะสมนะสร้างคือเอาส่วนประกอบต่างๆมา แต่ในกรณีของอัลลอฮ์เนี่ยกุนไฟายากูลตาตัวจงเป็นมันก็เป็นขึ้นมาบางคนเสนอว่าให้ใช้คําว่าเนรามิดผมก็เห็นด้วยแต่ว่ามันไม่ชินปากนะครับฉะนั้นถ้าใช้คําว่าสร้างครัต้องเข้าใจว่าไม่ได้สร้างแบบมันรุดสร้างนะสร้างมือถือเอาเอ า, เอาชิปอนุ่นนี้มาประกอบกันแต่การสร้างอัลลอฮ์คือคกุลไฟยากูลจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอัลลอฮ์นั้นสร้างชั้นฟ้าฟ้าทั้งหลายนะครับสามาวาสวันอั แล้วก็แผ่นดินนะเคยให้พี่น้องสังเกตว่าเวลาคู่ถึงชั้นฟ้าเนี่ยนะครับคู่กับแผ่นดินเนี่ยฟ้าจะเป็นเท่าพนฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินนะก็มีการตีความระยะตรงนี้ว่าฟ้าทั้งหลายนี่คือมันใหญ่มันมีหลายชั้นแผ่นดินมันเล็กกว่านะก็แล้วแต่นะครับ อัลละฮ์คือคอลิกในอายาานี้บอกว่าอัลลอฮ์คือคอลิกคือผู้ที่สร้างแต่ผู้ที่สร้างอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ศาสนาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับยังมีอย่างอื่นด้วยอันซาเลมีนัสสมาอิมาอันนอกจากสร้างแล้วเนี่ยนะครับฟ้าที่พระองค์สร้างไว้สังเกตนะครับเมื่อกี้สร้างชั้นฟ้าสัมาวาสจะ ก, กระพบทั้งหมดบางคนเชื่อว่าเองกระพบทั้งหมด เราล่อสร้างแต่ว่าที่ลงหล่นมาจากฟ้าเนี่ยอัสมาอันนี้เป็นเอกภพนะฝนไม่ได้มาจากระบบสุริยะทั้งหมดแต่ว่าฟ้าเนี่ยฟ้าในที่เราอยู่เนี่ยขอฟ้าของโลกนี้เนี่ยนะครับมินัสมาอิมาอันฝนตกลงมาสกเกตการใช้คํานะสมาวาดกับสมาใกล้ๆกันเลยแต่ว่ากัวอ่านเลือกใช้คําต่างกันเวลาสร้างทั้งหมด สมาวัดชั้นฟ้าขอบฟ้าทั้งหมดแต่เวลาฝนตกลงมาตกมาจากสมาฟ้าที่เป็นเอกน์ฟ้าฟ้าเดียวนะคราวนี้เ้ืยอกับฝนที่ตกลงมาเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้พูดถึงฝนแต่ก่อนเราบทการหน้าฝนน้ำท่วมนะตอนนี้ในคนกรุงเทพอยากให้ฝนมาทุกวันเลยฝนมาดีกว่าฝุ่นมานะเออ ฝนตกลงมาฝ่าอัครยาบีฮีฝ่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุต่อเนื่องด้วยกับฝนเหตุของฝนที่ตกลงมาฝ่าอัครยาบีฮีดังนั้นผลต่อก็คือมามีพืชพันธุ์เนี่ยสามารถ ง, งอกขึ้นมาโตขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นน้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเวลาฝนตกเนี่ยนน้ำฝนไม่เหมือนน้ปาปปา น้ำบบปาต้นไม้ก็โตแต่ไม่เหมือนน้ำฝนนะมันงอกเวลาตัดกิ่งมะม่วงพินักี่บ้านนะพี่นอ้องเวลาฝนตกมันงอกเขียวงอกไวกว่ามีความ เ, ออเจริญมากกว่าเพื่อผลที่งอกมานั้นทำไมเอ่ยริสกอลละกุ้มเพื่อที่จะเป็นปัจจัยยังฉีดเป็นยิสกิธีให้กับพวกท่าน ด้วยกับอายะน์ญญตรงนี้นะครับอลัลลอฮ์จึงมีพระ น, นามว่าอันรัตซากไปว่าผู้ที่ประทานปัจชั ย, ยังชีพอย่างมากมายฉะนั้นเวลาพูดถึงพระ น, นามของ อ, อัลลอ์เนี่ยไม่ใช่แค่คอลิกอย่างเดียวนะเราชอบบอกไปดูการสร้างของอลัลลอ์นะครับเราก็ไปบุกเขาไปเที่ยวจัดทัวจัดอะไร ก, กันเต็มหมดเลยนะครับเพื่อจะไปบอกว่านี่แหละอลัลลอฮ์สร้างแต่ว่าทราบแค่พระ น, นามเดียวสุดท้ายไม่ได้ ตระหนักคิดว่าพะนามหอหลอมีเต็มไปหมดแต่เราไ ก, ก็มีในการสร้างหอหลอดเนี่ยมันมีบางส่วนมนุษย์สามารถนํามาเป็นอาหารและก็ปัจจัยยังชีพอ่ะบางทีไม่ได้กินโดยตรงพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่งอกขึ้นมาเนี่ยเราสามารถนําไปขายนำมาเป็นสินค้าไปขายเสร็จได้เงินมาก็เอามาซื้อปัจจัยยังชีพ นี่อยู่ภายใต้คําว่าพืสกีทั้งหมดนะครับ mm hmm. พืชบางอย่างกินได้โดยตรงนะ mm hmm. พืชบางอย่างเนี่ยเราปลูกเรามาได้กินแต่ก่อนปลูกข้าวเพกินตอนนี้ชาวนามาได้กินแล้นะครับ mm hmm. ปลูกเสร็จรถไถไปเอาหกล้อไปต่อพอข้าวลงเสร็จ น, นะตรงไปลงสีไปขายข้าวที่ปลูกมาได้กินเองนะแต่ว่าไปขายได้เงินมา ก, ก็มาซื้อปัจจัยยังชีพพืชบางอย่างไม่ใช่อาหารพี่น้องครับเช่นไม้หอม ไม่กินสนอกินไม่ได้นะครับกินแล้วตายนะแต่ว่าใช้ประโยชน์จากอื่นได้เราก็เอาตัวนี้เป็นปัจจัยยังชีพเป็นสินค้าสมุออกแพงด้วยนะครับนะแต่วนี้เราขายกันเป็นแสนนะฉะนั้นพืชผลที่งอกมาจากน้ําผลตรงนี้เป็นปัจจัยยังชีออพให้กับมนุษย์จะเป็นปัจจัยโดยตรงกินเลยก็ดีหรือว่าเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนที่เราไปซื้อหาอาหารต่ออีกครั้งก็ดี ตรงนี้ในอาย่า น, นี้พระสกุลมันไปตรงกับพานามขอล้อและกัลักษณะขอล้อคืออราราจักผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพอย่างมากมายนะครับเราจึงมีชื่อว่าอับดุลอราราจนี่แปลว่าบ่าวของผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพอย่างมากมายฉะนั้นเวลาดูการสร้างขอล้อนะครับอย่ามองว่าแค่ใครสร้างต้องต่อยอดไปด้วยเพราะพนามขอล้อมีหลายพานาม นอกจากนี้ครับอัลลอฮ์ะจะตัดไว้ว่าหัซักพระกูมุ่นฟุ่นก้าอัลลอฮ์เนี่ยให้เรือนั้ น, เ, นเดินเรือเดินสมุทรเนี่ยนะครับลิตัจิเรียฟินบาเรียอมัมเรฮีให้มันเคลื่อนที่ไปได้บนมหาสมุทรบนทะเลด้วยกับคําสั่งของพระองค์อตรงนี้เชื่อมโยงไปถึงพระ น, นามไหนอของร้อนครับพระ น, นาำของร้อนมีพ่านนำหนึ่งชื่อว่าอันนาเฟะ แว่าผู้ที่ให้ประโยชน์ฉะนั้นเวลาดูสัญญาณต่างๆเนี่ยอย่าดูแค่อันคอลิกนะครับทราบว่าเราสร้างแหละแต่ว่าสุดท้ายละเลยพน้าคือทะเลในพี่น้องครับเค็มที่เราทราบกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีปลาทําประงงได้ในนั้นเนี่ยก็มีก็เรียกว่ามนุษย์สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในทะเลโดยการใช้เรือได้ นี่ก็เป็นอันนาเศียอัลลอฮฺให้ประโยชน์กับมนุษย์ผ่านทางทะเลมนุษย์ใช้ประโยชน์มากมายนะครับแต่ว่าตัวอย่างหนึ่งที่กูอ่านยกขึ้นมาคือการให้เรือนั้นสามารถโดยสารเคลื่อนที่ไปในทะเลไนดะ้อนนาเศียรนะครับวาซัคเขกุมุลอันฮะนอกจากทะเลแลว้วทําไมเอ่ยก็มีแม่น้ําด้วยที่อัลลอฮฺมันเคลื่อนที่ให้มันไหลไปนะจากอายะห์ตรงนี้เนี่ย ทำให้เราตระหนักว่าเวลาที่เราดูสัญญาณของลอลอสิ่งสร้างต่างๆมรคลุกต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงอลัลลอ์มากขึ้นฉะนั้นเข้ายัางไงล่ะอลัลลอ์เราก็ไม่เคยเห็นเข้าถึงอลัลลอก์เขาจะอลัลลอ์มากขึ้นผ่านพ น, นามแล้วก็คุณลักษณะพอไปนาไปดูพนามแล้วคุณลักษณะของลอแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่อันคอลิกมีหลายพนาม จากอายะตรงนี้อันคอลิสสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินให้ปัจจัยยังชีพให้ฝนมาให้พืชงอกขึ้นมาเป็นปัจจัยยังชีพอาราจากนี่พนาความล่อหมดเลยนะแล้วก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์สามารถโดยสารเป็นเรือในทะเลได้นี่คืออันนาเฟียเช่นเดียวกันพระองค์ก็ให้ไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวนะครับให้แม่น้ําด้วยมันไหลไปจะบอกนี่คืออันวาฮาก็ะดัเป็นผู้ที่ประทานให้ฉะนั้น เวลาพิจารณาพิจารณาให้กว้างกว่าเดิมนะขณวนี้ถ้าไปน้องดูนะครับเมื่อกี้ผมใสังเกต น, นะจริงจริงการในอายันนี้นะมีมีคําหลายคำที่กูอ่านเลือกใช้อย่างประณิษฐ์เช่นคําว่าฟ้าเมื่อกี้นี้เวลาพูดถึงการสร้างฟ้าทั้งหลายเราสร้างหมดแต่เวลาฝนตกลงมาไม่ใช่ฝนตกลงมาทุกชั้นฟ้าชั้นบรรยากาศมีฟ้าชั้นหนึ่งทำให้ฝนตกลงมา นี่คือความปัจจัยในการเลือกใช้คำพี่น้องดูคําว่าทะเลกับแม่น้ําอันบาเรกนะครับนี่คือทะเลนะอันอันธาต์คือแม่น้ำนะเวลาพูดถึงการซักร้อตั้เทรดเนี่ยนะครับให้มันเคลื่อนที่ให้มันโคจรไปเนี่ยเวลาพูดถึงทะเลพี่น้องครับเอาล้อพูดถึงเรือให้เริญเนี่ยมันเคลื่อนที่ แต่เวลาพูดถึงแม่น้ำเาลาบอกให้แม่น้ํามันเคลื่อนที่เพราะว่าทะเลกับแม่น้ํานี่มันต่างกันเราเนี่ยอยู่บนบกกันมานานแล้วนะครับถ้าแม่น้ํามันมีกระแสน้ํามันมีเวลาก็สู้กันเนี่ยนะครับส ม, มุติทหารเรือสู้กันเนี่ยทหารเรือที่สู้ในแม่น้ํากับสู้ในทะเลคนละเรื่องกันเลยนะถ้าสู้ในแม่น้ําใครช่วงชิงกระแสน้ําคืออยู่เหนือน้ําได้เปรียบแล่นไวกว่าขวดไวกว่านะครับ อ่าฉะ น, นั้นเวลาอัลลอฮ์เลือกใช้คำว่าแม่น้ําเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวัซักกขาุมุนอันฮาร์นะครับอัลลอฮ์เนี่ยทำให้แม่น้ํามันเคลื่อนที่พราะน้ํามันมีกระแสน้ำของมันแต่เวลาพูดถึงทะเลเนี่ยนะครับกระแสน้ําของทะเลไม่ได้ชัดแบบนี้นะแต่สิ่งที่มนุษย์ใช้เคลื่อนที่ในทะเลคือใช้ลมฉะนั้นอัลลอฮ์จะบอกว่าวัซซัคเขาุมุนฟุ่นก้าอัลลอฮ์ให้เรือเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทะเล นึ่งออกมาในการเลือกใช้คําละเอียดมากในน้ําเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลางใบหรอกในแม่น้ําเนี่ยมันไปตามกระแสน้ําถ้าทวนน้ำยากหน่อยออกของพายทวนน้ํากันแต่มีกระแสน้ํานึ่ออกไหมแต่ในทะเลเนี่ยสิ่งที่กะลาสีก็จับก็ไม่ได้จับกระแสน้ำเขาจับนู่นจับลมพัลมมาทีก่กลางใบขึ้นเอาลมมันก็พาไปนี่คือการเลือกใช้คําของของอังกฤษนะครับ ละเอียดนะละเอียดนะอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดคือคำว่าซักคาร์ัสคิรซักครแปลว่าทำให้มันโคโจรทำให้มันเคลื่อนไปอัลลอ์ให้ฟ้าให้ผันดินมันเคลื่อนไปนะครับให้ทะเลให้แม่น้ำมันเคลื่อนไปการงานตรงนี้ขอเล่าแสดงว่าสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นทำไมเอ่ยมีความพักดีต่ออัลลอ์เป็นไปตามกฎที่อัลลอฮ์วางไว ตัววันนี้เวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยนะครับเราใช้ประโยชน์ตรงนี้นะที่เรามีวิชาวิสิศ์วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในจักรวาลเนี่ยมันเหมือนเดิมเราถึงประดิษฐ์ของกันได้นึกออกไหมรถยน์ที่วิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับกับสมัยนี้เนี่ยไอการคำนวณแรงเสียดทานอะไรต่างๆมันเหมือนกันเราเลยต่อ ย, ยอดได้ทักษะตรงนี้อลอสทําให้โลกนี้จักรวาล น, นี้เป็นระบบ ถ้าระบบตรงนี้มันไม่สเสถียรนะพี่น้องสิ่งที่เราใช้มาร้อยปีที่แล้ววันนี้ใช้ไม่ได้เช่นเครื่องบินที่มันบินเนี่ยเขาจะมีการคำนวณไงว่าลมเท่านี้ใช้ปีเท่านี้นะเราก็เลยบินได้นึกออกไหมถก็มีการต่อยอดเพราะว่ามันอยู่มันกดอันเดิมของธรรมชาติแต่ถ้าว่ามันเปลี่ยนขึ้นมาห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับแรงดึงดูดมันเท่านี้แต่ว่าหลังจากนี้แรงดึงเพิ่มขึ้นเครื่องบินที่ออกแบบออกแบบมันเดิมไม่ได้ ต้องเผือแล้วดึงดูที่มันเพิ่มขึ้นพี่น้อง น, นึกไหมดังนั้นโลกเนี่ยวุ่นเราจะไม่สามารถต่อยอดสิ่งประดิษฐ์อรารยธรรมได้เลยเพราะว่ากฎในจักรวาลมันเปลี่ยนไปทุกห้าสิบปีสมมุติมันเปลี่ยนผมสร้างการก่อสร้างเนี่ยสวยงามเลยพอห้าสิบปีแบบแปนเดิมที่จะมาสร้างต่อเนี่ยสร้างไม่ได้แล้วทําไมล่ะเพราะกฎโลกมันเปลี่ยนแปลงไปน้ําหนักมันน้อยขึ้นมากลงการคานวณเปลี่ยนต่อยอดไม่ได้เอาคิดหมายหสิบปีผ่านห้าสิบปีเอาเปลี่ยนอีกแล้ว วุ่นไปหมดฉะนั้นคำว่าตัสคีตรงนี้เนี่ยให้มันดำเนินไปตามกฎที่อัลลอ์วางไว้และโลกจากกวา น, นี้ก็เป็นไปตามนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อัลลอ์สร้างขึ้นมานั้นทุกอย่างมีการต่ออัดเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ก็คือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์วางไว้นึกออกไหมนะครับตรงนี้แหละทำไมเอ่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประโยชน์ ตัววันนี้เวลาที่เราสร้างตึกได้ในพี่น้องไอ้คนที่สร้างตึกเนี่ยไม่ได้เรียนจากศูนย์นะเรียนจากสภพวิชาองค์ความรู้ที่มีมาแต่ก่อนแล้วก็มาต่อยอดไอ้แต่ก่อนก็เอามาจากแต่ก่อนอีกต่อยอดกันไปต่อยอดกันได้เพราะว่ากฎมันเหมือนเดิมกฎเกณฑ์ต่างๆในแรงแรงดึงดูดแรงโน่มถ่วงอะไรก็แล้วแต่มันเท่าเดิมมันเหมือนเดิมนอกจากกรณียกเว้นพิเศษจริงๆนะต่อมาในอายุที่สามสิบสามก็เอาล็อตตัดไว้ว่า หัวซักคราลูกุ้มซัครอ้อยแล้วนะครับดูนะอั ช, ชม์ซะพระองค์นั้นให้ดวงอาทิตย์นั้นเคลื่อนที่วันกอมาร์าแล้วก็ดวงจันท์ดาอีไบนิศนะครับหัวซัครกุมุนรายละวันนะฮะแล้วก็ให้กลางวันแล้วก็กลางคืนนั้นเคลื่อนที่เหมือนกันซัคราตรงนี้เราอย่ามองในทางกายภาพว่าเคลื่อนที่นะแต่ให้มองใหญ่ออกมาว่า ทำให้มันอยู่ในระบบในวงโคโจรของมันดวงจันทร์เคลื่อนที่เราไม่ค่อยแปลกนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยในปัจจุบันบางคนตั้งคําถามเอา้าดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่นะโลกต่างหาก ท, ที่เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์แต่ในความจริงดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่ในกาแล็กซีใน ร, ร, ร, ระบบจักรวาลกาแล็กซี่เราอยู่เนี่ยดวงที่มันก็เคลื่อนไปเหมือนกันความเข้าใจเราเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยชื่อดาวเราทราบแค่ไม่กี่ชื่อชื่อดั้มเดิมจะเป็นชื่อวันถ้าเป็นของไทยนาเพื่อหัดเสาอะไรเนี่ยสุขพุธเป็นชื่อดาวสมัยก่อนที่เราทราบหลังจากนั้นเราก็ทราบเพิ่มว่าเฮ้ยในะระบบนี้เนี่ยมันมีดาวอื่นเพิ่มขึ้นมาจะไม่ใช่ชื่อวันแล้วเป็นชื่อฝรั่ดาวเับจูนดาวกูโตเราเคยเชื่อว่า มีเก้าดวงก็เลยตั้งชื่อว่า ร, ระบบนภะเคราะห์ดาวเคราะห์ทั้งเก้าไปมาเอา้าดาวบุโตไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วเอา้าเปลี่ยนวความเข้าใจไปอีกอันนี้คือความเข้าใจที่เราเข้าใจเพิ่มมาเกี่ยวกับระบบโซย่าจักรวาลแต่อย่างไรกันแล้วแต่นะครับเนระบบโซย่จักรวาล น, นะในกาแล็กซีเอกภพมันก็มีใหญ่กว่ามันไปอีกนะดวที่ก็ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนกันนะครับเคลื่อนที่รอบกาแล็กซี่เราอยู่ทางช้างเผือกนี่แหละก็เคลื่อนที่ ไปเรื่อยๆกันนะฉะนั้นสรรพสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาซักข้อถ้ามองในแง่ของการเคลื่อนที่มันก็จริงถ้ามองในแง่ที่ใหญ่ออกมาทําให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์มันก็เป็นไปตามนั้นนะในด้านรูกประทุมในด้านานามธรรมคําว่าซักข้อก็เป็นคําที่เน่าสนใจนะครับก็อ่านเลือกใช้คําแล้วก็ลึกมากไม่ใช่แค่ดูที่ดวงจันทร์อย่างเดียวนะครับ กลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับท่านในอญญายะที่สามสิบสามนั้นเราพูดถึงวันเวลาเนี่ยนะครับกลางวันกลางคืนนะดวงจันทร์นะครับเราสามารถคํานวณได้เป็นรอบเดือนดวอาทิตย์สํำนักคํานวณได้เป็นรอบปีแล้วก็การคํานวณตรงนั้นนํามาสู่ประโยชน์ต่างๆให้กับมนุษย์ทั้งหลายมีการเพาะปลูก เราทําปฏิทินกันได้รู้ว่าตอนไหนจะหวานข้าวตอนไหนจะเก็บตอนนี้เผาไม่ได้นะเขจับแล้วนะครับห้ามเผานะจะเผาจะหวานตอนไหนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อลัลลอฮ์ให้มันอยู่ในระบบเดิมปีวันมันเท่าเดิมเราคํานวณเราทราบได้เราจึงวางแผนในการเพราะปลูกได้นี่คือประโยชน์ทั้งหมดที่มนุษย์ได้จากอัลลอฮ์ เยอะนะอันนี้เท่าที่ผมนึกออกไอ้ทีนึกไม่ออกเต็มไปหมดเลยกลางวันกลางคืนบางคนบอกว่าประโยชน์โดยส่วนของผมก็คือแล้วกลางวันกลางคืนผมเป็นทะเลว่าไงอ่ะอันนี้พูดถึงเกษตรกรการเพาะปลูกนะโดยที่ดวงจันทร์บางคนเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ทางอื่นจากกลางวันและกลางคืนเช่นบางคนขายกล้องวงจรปิดอินฟาเรดเพราะกลางคืนมามองไม่ได้เราใช้กล้องรุ่นนี้เห็นไหมเราก็ได้ประโยชน์อีก นะครับ ว, วันกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ประโยชน์ต่างกันมีลงบกลงทะเลเมื่อกี้เกษตรกรอันนี้ชาวประมงผมก็ไม่เคยออกเรือหรอกนะครับคือความรู้มันเคยมีแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์ตัวเนี้ยจะลงบกลงทะเลนะคร น, นี้สิ่งที่เราให้ประโยชน์เนี่ยกลาวันกลางคืนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มนุษย์แต่ละคนก็ได้ประโยชน์แตกต่างกันไปอย่างผ ม, มเมื่อไปงานปกติกลางคืนใช้นอนกลางวันใช้ทางาน แต่บางคนไม่ใช่กลางคืนทํางานกลาวันนอนเขากลางคืนประโยชน์มันต่างกันบางคนขายของตอนเช้าขายโจ๊กบางคนไม่ใช่กลงคืนขายแล้วตุ้มคุยเห็นไหมเวลามันต่างกันนะครับกลางวันแล้วก็กลางคืนแท็กซี่ก็ต่างกันกะเช้าลูกค้าเอะหน่อยกางคืนสบายรถไม่ติดเอาเลือกเอาจะขับกะไหนก็แล้วแต่ต่างกันไปแต่ทุกอย่างแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ การที่อัลลอฮ์บอกแบบนี้เนี่ยต้องการใจเห็นว่าสิ่งที่ความผูกพันระหว่างบ่าวกับพระเจ้าไม่ใช่แค่อัลลอฮ์สร้างให้และกระจบแต่ว่าอัลลอฮ์ควบคุมดูแลให้ประโยชน์ให้ปัจจัยยังชีพแล้วก็ประทานสิ่งต่างๆเนี่ยมาความโกรดปราให้กับมนุษย์อย่างมากมายด้วยกับการสร้างของพระองค์มันจะสร้างกระจบนะในการสร้างนั้นมนุษย์ใช้ประโยชน์ดี ฉะนั้นต่อไปเนี่ยสีฟ้าของอลอ้อหรือพันนาของอลอ้อที่เราควรจะนึกก็คือว่าอันนาเฟียอันคอลเรืเรานึกจํากันได้แล้วอันนาเฟียต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่สร้างเหล่านั้นเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคนที่มองมองออกได้ประโยชน์เยอะนะบางคนเห็นฟ้าเนี่ยโอ้มองไม่ออกฟ้าก็คือฟ้าบางคนมองออกว่าฟ้าเนี่ยมันใช้ในอื่นได้มีสัญญาณวิทยุอ่าวนะครับมีสัญญาณ ทำไปสัญญาณมือทงมือถือได้สามประทานเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านอันนาเฟะอัลลอฮ์ให้มนุษย์แล้วมนุษย์ต้องใช้ประโยชน์ให้ได้มุสลิมเนี่ยไปติดอยู่กับอันคอเล็กนานนะครับไม่ผิดไม่ไม่ผิดหรอกเราพยายามหาว่าใครสร้างยืนยันว่านี่คือมีผู้สร้างอัลลอฮ์ณจุดนี้ผมว่าเราควรจะมองต่อไปได้แล้วเพราะพนามอัลลอฮ์ก็มีคําว่าอันนาเฟะฉะนั้นสรรพสิ่งต่างๆเราจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงนี่คือการต่อยอด นะครับอันนาเฟียคือว่านามของอนล้อนะต้องมองให้ออกนะอลัลลอฮ์สร้างมาแล้วมันต้องมีประโยชน์เราจะมาใช้ประโยชน์ยังไงตอนนี้กัญชาก็มาใช้ประโยชน์แล้วเห็นไหมกระทงกระท่อมเริ่มจะมีแล้วนะครับนึกออกไหมนะต้องมองให้ออกฉะนั้นแาวคิดตรงนี้จะนําไปสู่นวันต ก, กรรมในอายะต่อมาครับอายะที่ส um, um um uh ามสิบสี่วาตากุ้มมินกุ้นลุยมาสะั้นตัมูฮูอัลลอฮ์ได้ประทานให้กับ พวกท่านมินกุลเลมาสันตัมูฮูในสิ่งต่างๆในทุกสิ่งที่พวกท่านขอต่อพระองค์วอนตดูเนี่ยมาตรยลาตุสฮาสิ่งที่อัลลอประทานให้เนี่ยนะถ้าจะนับเนี่ยเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอให้ลาตุสุฮานับไม่หมดให้เยอะมากเยอะจนวนับคิดคำนวณไม่หมด แต่ว่าทําไมเอออนันอินซานาล้วจลูมุลคาฟาร์แต่ว่ามนุษย์นั้นทําไมเอยเป็นผู้ที่อาธรรมแล้วก็ในเราคุณยิ่งอธรรมปฏิเสธตรงนี้หมายถึงตั้งภาคีย์ยังไงล่ะในเมื่ออัลลอฮ์สร้างให้ขนาดนี้ประธานให้ขนาดนี้แล้วแต่สุดท้ายประโยชน์ที่มนุษย์ได้เนี่ยนับไม่หมดไม่สิ้นเนี่ยทําให้มนุษย์เอาไปตั้งภาคีแทนเจ้า ก, กับคุณผู้สร้างผู้ที่ให้ แต่ว่าทําไมเอ่ยกับขอบคุณบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยในการสร้างในการประทานสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องครับถ้าพูดถึงคําว่าสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยนับไม่หมดนับไม่หมดจริงๆลองนับดูกันนะอันนี้เท่าที่นึกออกนะครับไอที่นึกไม่ออกอีกเยอะแยะไมหมดถ้ากลับไปดูที่ มันจะมีอายาสสามสิบสบามใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ลองนับดูซิว่ามนุษย์ได้อะไรจากอัลลอฮ์บ้างถ้ามองผิวเผินเราบอกว่าอาลัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาหวานสลามินัสสมาอิมาอันนี่ผมกลับอธิบายต่อนนะอายาสที่สามสิบสองฟ้าก็จบีทีมีนัสตามราร์เนสกัลละกุมแล้วก็ให้พืชผลขึ้นมาถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าได้พือผลจากการเกษตรแต่มีน้องทราบไหมว่า วิถีชีวิตแบบเกษตรเนี่ยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราหายังชีพด้วยกับการล่าสัตว์นึกออกไหมยังไม่มีการพ่อปู่ฉะนั้นสิ่งที่มีก็อยากได้ก็ไปล่าเอาการล่าสัตว์เนี่ยพี่น้องมันก็เรียกว่ามันมีพื้นที่เหมือนกันทุกวันนี้คนกรุงเทพไม่สามารถยังชีพได้ด้วยการล่าสัตว์จะล่ายัางไงความหนาแน่นคนหนึ่งล่าสัตว์มันก็มีพื้นที่นึกออกไหมฮะ แล้วก็ไอ้สิ่งที่ล่ามันก็ต้องมีพอจะมาเลี้ยงคนข้างในมนุษย์ก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นการเพาะปลูกเนี่ยได้ฝนลงมามีพืชพันธุ์ขึ้นมาพอมีการเพาะปลูกแล้วในวิถีชีวิตเปลี่ยนไปแต่ก่อนล่าสัตว์การถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยพี่น้องมันไม่ถาวรเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าล่าหมดเราก็ย้ายไปที่อื่นย้ายไปเรื่อยการย้ายถิ่นฐานเนี่ย ส่งผลต่ออารยธรรมของมนุษย์ก็คือว่าไม่ได้มีการพัฒนาจะเป็นเมืองได้จะเป็นอาณาจักรได้จะพัฒนาขึ้นได้มนุษย์ส่วนมากนะจะอยู่กับที่พออยู่กับที่แล้วมีสเสบียงอาหารเพียงพอแล้วเราจึงพัฒนาเนื้อออกมันเช่นเราเป็นพื้นที่เกษตรนะครับนี่คือได้จากอรรถนะที่อรรถให้ปัจจัยยังชื่อกับมนุษย์เนี่ยทำให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลง ถ้าเรามีทําเกษตรแล้วเนี่ยนะครับคนเวลาทําเกษตรเขาไม่ย้ายเพราะทาไมละ่ะมันต้องเก็บเี่ยวไร่นามันอยู่กับที่ยกเว้นไรเรื่องลอยอันนั้นก็ณียกเว้นนะครับปกติเนี่ยอยู่กับที่พออยู่กับที่แล้วเนี่ยนะครับพืชผลที่เก็บมาเนี่ยก็เป็นสบียงเลี้ยงพออยู่กับที่ปุ๊บคนก็ได้สบียงจากพืชผลนะนึกออกไหมมันก็กลายเป็นชุมชน ต่างกันเล็กล่าสัตว์นะล่าสัตว์ไม่อยู่แบบนี้นะแล้วก็ไปเผาเรา 20-30 คนยอดย้ายไปเรื่อยาไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นเกษตรเนี่ยเราอยู่กับที่เป็นชุมชนสร้างเมืองขึ้นมาพอเพาะปลูกพอแล้วเนี่ยนะครับเรื่องกินไม่ต้องห่วงแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องไปเพาะปูกหมดก็มีงานช่างงานเฉพาะทางขึ้นมา นึกออกไหมแต่ก่อนที่ราสัตว์เนี่ยเรามันได้คิดที่จะพัฒนาอะไรมากมายให้มีชีวิตอยู่ให้มีสเสบียงแต่ตอนนี้สเสบียงหมดปัญหาไปแล้วเพราะภาคอู่เก็บได้กะได้เลยปีนี้ข้าวเก็บเดือนไหนได้เท่าไหร่ทุกอย่างมาเป็นตารางคำนวณได้หมดฉะนั้นเรื่องสเสบียงหมด่วงมีกินแน่ๆพอมีกินแน่ๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําอย่างอื่นเช่นผมเป็นช่างช่างทําเหล็กนึกออกไหมถ้าผมยังกระวนอยู่ว่าจะมีกินไม่มีกินเนี่ย ผมไม่สามารถมาตีดาบตีเหล็กตีกาอได้เพราะอะไรต้องไปห่วงอาการหากินแต่ตอนนี้พอเป็นชุมชนเมืองแล้วเนี่ยมีขเขาเรียกว่าเกษตรพอแล้วมีคนพ่อปู่พอแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมามีช่างเหล็กช่างเย็บผ้ามีช่างนุงช่างนีเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยอย่งสังคมเมืองพูดง่ายๆผมสอนหนังสือสามารถมุ่งต่อ ง, งานวิชาการอ่านหนังสือวันหนึ่งหชั่วโมงหกชั่วโม ง, มมงอ่านได้เพราะทำไมละ่ะไม่ต้องไปห่วงว่าจะมีกินไม่มีกิน มีคนที่ทำพ่อปลูกแล้วมีคนทำเมืองอาหารแล้วไอคนที่เหลือก็เอาเวลาตรงนี้ไปต่อยอดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฉะนั้นการพ่อปลูกเนี่ยที่ผมพูดต้องการจะบอกว่าการพ่อปลูกเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากที่ไม่เป็นหลักเป็นฐานเป็นชุมชนที่หาวรมีเมืองมีการพัฒนามีอารยธรรมนี่คือลิสกีที่เราให้มาจากการพาะปลูกนึกออกไห ถ้าไม่มีเมืองไม่มีอายธรรมมนุษย์ไม่มาถึงที่วันนี้นะครับเราจะมีการเรียนการสอนยังไงสมมติถ้ว่าเรายังเล่ยลอนห า, ห, าหาสัตว์เรียว่าล่าสัตว์กันอยู่อาทิตย์หน้าผมก็อาจจะมาสอนไม่ได้เพราะว่าต้องไปล่าสัตว์ที่อื่นพี่น้องอาจจะมาฟังมาแด้ต่องไปล่าที่อื่นแต่เรานัดกันได้วันอาทิตย์สิบโมงทาได้เพราะเราอยู่กับที่ทําไมเราถึงอยู่กับที่ได้ละ่ะเพราะมันเป็นชุมชนมันเป็นเมืองมันมีการเพราะปลูกมีอาหารอย่างเพียงพอ ฉะนั้นนี่คือพยายามลองที่จะนับนะเนี่ยมัทิตย์เล่าให้ลองที่จะนับในแง่หนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็ น, นับไปหมดแล้วในอายะที่32ยังพูดถึงวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งเมื่อกี้เป็นวิถีชีวิตทางการเกษตรนะครับการเกษตรทําให้คนเป็นสังคมเป็นชุมชนเป็นเมืองแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นอารยธรรมในอายะที่32ยังพูดถึงวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งครับเป็นวิถีชีวิตที่เคลื่อนที่ทางทะเล จะเป็นพ่อค้าก็ดีจะเป็นการค้าขายก็ดีถ้ามองผิวเผิอนอา ญ, ญาหนี้ก็เป็นเรือลำหนึ่งแล้วก็อยู่บนทะเลเอาล็อกให้แล่นไปถ้ามองแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นจริงๆแหละแต่ถ้าม้อยเห็นว่าเรือกับทะเลเนี่ยพี่น้องสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างให้กับอนุษียชาติไม่ต้องไปไกลเอาเฉพาะดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยพี่น้องเพราะมีการค้าขาย ลอถึงติดต่อกับอินเดียติดต่อกับจีนมีการชิ่มกล้องมีเครื่องมานาการมีการค้าขายอิสลามมา้ามาทางเรือนึกออกไหมฉะนั้นการที่เรือมันเล่นในสมุทรได้ใ น, ในมหาสมุทรได้พี่น้องนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่อรารยธรรมมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ต้องพูดถึงปฏติสารแล้วนะครับทำไมเมืองเก่าๆที่มันอยู่ในเมืองมันถึงตายไป เมืองพระนครเมืองที่มาอยู่ข้างในละ่ะเพราะมันสู้ไอ้เมืองที่อยู่ชายทะเลไปได้อยุธยาทำไมเข้มแข็งมาออกทะเลได้นึกออกไหมมีแม่น้ําออกทะเลมาติดต่อมันมีอาวุธเข้ามาได้มีสะเบียงเข้ามาได้มีสินค้าเข้ามาได้มีทหารต่างชาติเข้ามาได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ใน อ, ย 32, อายุที่สามสิบสองอัลลอฮ์พูดถึงวิถีชีวิตแค่สองสามแบบนะครับวิถีชีวิตแบบการเพาะปลูก ทำให้ประาสรของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปการค้าขายทางทะเลการเดินทางทางทะเลทําให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปการเดินทางทางแม่น้ําก็ทําให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยทําไมเออเ อ, อัอลลอฮฺซักพระออัลลอฮฺให้มันเป็นไปตามนั้นนี่คือเนื้อมาตที่อลัลลอฮฺให้ลาตูซูฮานับนับไม่หมดเมื่อกี้แค่พยายามนับนะครับพี่น้องอาจจะมีในหัวว่าเออไอการที่มนุษย์ สามารถล่องเรือทางทะเลได้นะครับมีสินค้าทางกเกษตรมีแม่น้ำเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นแล้วแต่ความเชี่ยวชาญแต่ละคนที่ว่านับนับไม่หมดมันนับไม่หมดจริงๆอย่างไรกันแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้มาขนาดนั้นแล้วอินนั่นอินซาน่ละซัลูมุลกาฟารแต่มนุษย์เป็นผู้ที่อธรรมแล้วก็ปฏิเสธอธรรมตรงนี้อธรรมที่ใหญ่ที่สุดคือคือการตั้งพาคี พี่น้องไปกลับไปดูในอดีตดิเมืองที่ได้รับความยิ่งใหญ่จากพืชผลมีสเบียงได้เนี่ยถึงไปตีเมืออื่นเขได้นะพี่น้องมันเกี่ยวกับสงครามมันหลายเรื่องนะถ้าสเบียงไม่พอไปตีเขาในร่มนะมีการค้ามีนู่นมีนี่เต็มไปหมดแต่ว่าในอรารยธรรมเหล่านั้นพอไปมองแล้วในละละหลายๆแห่งมีเจวิตมีรูปปั้นบูชาเจ้าองค์อื่นทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเลาลองไปพููที่ปัญฐานให้ในอายันี้เนี่ย ที่บอกว่าแท้จริงมนุษย์นั้นคือจอรูมุนกาฟาร์เป็นผู้ที่อธรรมเป็นผู้ที่ปฏิเสธจริงอย่างยิ่งเมืองเจริญต่างๆในอดีตหรือในปัจจุบันไม่ได้กลับไปขอบคุณผู้ที่ให้ให้จนนับไม่ได้นับไม่ทวนไม่ได้ไปขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแต่ตั้งพาคีบูชาสิ่งอื่นซึ่งไม่ได้มีส่วนเลยในการสร้างเรานนในสามอายานีนะครับอลัลลอฮ์พูดถึง ทั่วไปนะแต่ว่าในอายะที่สาสิบห้าเนี่ยเจาะลงมาแล้วที่มักกะนะครับอั mm hmm. ลลอฮ์ตัสว่าอิกรา อ, อิบราฮิมูนบีอิบราฮิมนี่กล่าวอย่างนี้ร mm hmm. บิจอันฮาดันบะดาดาอามีนาโออัลลอ์โอพระเจ้าของฉันได้โปรดทำให้ประเทศนี้เมืองนี้อามีนันมีความปลอดภัยวจูนุนีอวบานีย อันเนอะบูดันอัสนามและได้โปรดทําให้ตัวฉันและลูกหลานของฉันนั้นห่างไกลจากการบูชาชเวิตการบูชาลูกปั้นให้ออกห่างจากการตั้งภาธีเกี่ยวยังไงกับสามอายาเมื่อกี้สามอายาเมื่อกี้นะครับอลัลลอฮ์พูดถึงมนุษย์ชุมชนมนุษย์การทำมนุษย์ในที่ต่างๆลักษณะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นก็พูดเจาะลงมาที่มักกะว่าในเมืองมักกะที่มีทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ให้เช่นเดียวกันพี่น้องาจจะทราบประวัติของมักกะสมัยก่อนเป็นที่ที่ไม่มีผู้คนรา้นางนบีบรอฮิมเดินทางออกจากอูดเมืองอูดคือเมืองตอนใต้ของประเทศอิรักเมืองที่จะเข า, านบีบรอฮิมนยู่แหละที่เบีบมเอาขวานไปฟันนยู่เละเมืองอูดนะครับของพวกกันดาร ออกมาเดินทางมาที่อียิปต์หลังจากนั้นมาที่ปาเลสไตน์หลังจากนั้นก็นมาที่มักกะระหว่างที่เดินทางมาเดินพี่น้องที่บ้านเกิดเมืองนอนก็มีการตั้งพาคีจนนบีบรหิมออกขวานไปฟันเนี่ยนะครับไปถึงอียิปต์มีการตั้งพาคีไปถึงปาเลสไตน์ก็มีการตั้งพาคีมาถึงมักกะที่ไม่มีใครเลยเนี่ยนบีบรหีมหวังว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองเตาฮี หวังว่าเมืองนี้สร้างเมืองนี้ไม่ให้มีการตั้งพาคีเพราะในชีวิตนบี บ, บรอฮิมที่ผ่านมาอยู่แต่ละเมืองเคลื่อนที่แต่ละเมืองพี่น้องครับมีการตั้งพาคีทั้งนั้นฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าเมืองนี้เนี่ยวลาสร้างขึ้นมาแล้วทำไมเอ่ยหนึ่งหวังว่าจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยสองลูกหลานของนบีบรูฮมจะไม่มีการตั้งภาคี ในแง่นี้เนี่ยนะครับก็ออ่านจจพูดกับชาวมักกาในสมัยนั้นนะซึ่งตั้งภาคีอยู่บอกว่าในเมื่อบอกว่าเป็นลูกหลานของนาบิสมาอีแล้วทําไมถึงตั้งภาคีล่ะทางด้านที่คนที่ก่อรางตั้งเมืองเข้อหมายมั่นปันปือว่าเมืองนี้จะปลอดภาคีนะครับไปการตอบโต้ว่ามังกา น, นะอันนี้ความหมายแบบเฉพาะเลย แต่ว่าดุอาบท น, นี้นบีน้องอิบราอิบรอฮิมูกนะครับราพิจารณาดันบารดันอามินาเนี่คือน บ, บีบรอฮิมาแต่ดุอาบท น, นี้เนี่ยผมกับพี่น้องก็นํามาขอได้เรบพิจารณาด้านบารดาอามินาเมื่อผมกับพี่น้องขอเนี่ยนะครับหรือมุสลิไมไปพูดอีกขออุอาบท น, นี้สแสดงบทบาทของมุสลิมในฐานะคนละเมืองที่ดี มุสลิมเวลาอยู่ที่ไหนในพี่น้องปรารถนาให้เมืองนั้นมีความสงบสุขมีความสันติหลักฐานคืออะไรล่ะเราขอดุอาร์บท น, นี้กันฉะนั้นเราต้องออกหานจากภาพที่ว่าขอการไล่สร้าง ป, ปัญหาทำนู่นทำนี่เนี่ยนะครับมุสลิมขอดุอาร์บทนี้เป็นพลเมืองที่ดีเพราะหวังว่าประเทศบ้านเมืองชุมชนที่อยู่จะมีแต่ความสงบสุขเราพิจารณาด้นาดนบัลลัานอามินา พูดการเลือกตั้งด้วยนะครับมันไม่เกี่ยวกับพรรคไหนทั้งนั้นแต่ว่าอายามันมาพอดีมุสลิมคือพลเมืองที่ดีเพราะหวังว่าบ้านเมืองที่ตัเองอยู่จะมีความสงบสุขอามี น, น, นั้นคือความปลอดภยัยพี่น้องความปลอดภัยนี่ทาไมถึงอยู่ในดุทธรณ์นี้ขอทําไมต้องขอให้เมืองมีความสงบสุขทําไมไม่ขอให้เมืองมีความเจริญทําไมไม่ขอให้เมืองมีความสวยงามทําไมนบีบรอยหินขอแบบนั้น เพราะความปลอดภัยพี่น้องเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยพื้นฐานเลยในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องจะมีกฎมงกุฎหมายพี่น้องจะไม่เห็นภาพผมเคยอยู่ในประเทศซึ่งไม่มีความปลอดภัยผมเรียนที่ประเทศทิละพอไม่มีความปลอดภัยปุ๊บพี่น้องทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เช่นผมมีเงินเยอะก็ไม่สบายใจ มันจะมาโค้นตอนไหนก็นไม่รู้มันไม่มีคือมีแปล ง, ไ, งไม่มีความปลอดภัยวันนี้มีกันเยอะเดินไปเดินมาตายไปแล้วกลายเป็นศพทําไมละคนมาโค่นอา้าวมาอยากออกจากบ้านนึกออกไหมคนอยากจะเรียนหนังสือออกไปเจออะไรบ้างกันไม่รู้เดินไ ป, ปนนไเดินมาตายไปแล้วกลายเป็นิดทําไงก็ไมละคนมาโ อ, อ่นพอไมนมีความปลอดภัยแล้วพี่น้องไม่สามารถใช้ชีวิตได้นึกไม่ออกหรอก มันเป็นความต้องการพื้นฐานความประการพื้นฐานในความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่แล้วเช่นผมขับรถมาสอนเนี่ยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสอนสอนอยู่มันจะมีใครเดินมาเอ้าเอาตังมามาที่คอเนี่ยผมก็มาสอนแต่ถ้าว่าไม่สามารถรับประกันได้ผมจะมาสอนแล้วจะโดนป่นไหมผมก็ไม่มานึกออกไหมพี่น้องจะมาฟังทับซีสหรอลูกหลานจะให้มาเหรอเอาจะหน้าบ้านไม่มีคนมาใครจะมาฉุดมามาทำอะไรมุสซิมาจะมายัางไรหรอใครจะฉุดใคร ความปลอดภัยมาเป็นความต้องการพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ไอ้ร่ารวยบ้านเมืองสวยงามมาทีหลังพื้นฐานต้องมีความปลอดภัยฉะนั้นดูอาบทีนี้วิปอเริฮามองออกเลยครับว่าถ้าจะเป็นบัลัสหาดดันบัลัดจะเป็นเมืองเนี่ยนะความต้องการอย่างแรกต้องการคือความปลอดภัยเวลาอ่านอายันนี้เนี่ยนะครับมุสซิมต้องแสดงจุดยืนออกมาว่าเราก็คาดหวังว่า ที่ที่เราอยู่อาศัยต้องมีความปลอดภัยฉะนั้นความคิดแบบสุดโตงเนี่ยนะครับการพีชีพอะไรก็แล้วแต่ที่บัญญัตบอกว่าอิสลามเป็นแบบนั้นเนี่ยเราต้องตอ บ, ตอบโต้กับอาย่านี้ราหวังว่าให้มีความปลอดภัยนะครับต่อมาครับอันนี้การเลือกตั้งแล้วนะครับจะพูดไปจะออกเลือกตั้งนะอ้าว ว่าจะรูปนี้ว่าบันียาอันนาบุตันอัสนามหลังจากมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นบีบรูฮิมคาดหวังต่อมาก็คือว่าไม่อยากให้มีการตั้งภาคีเกิดขึ้นตัวฉันและกระโหกหลังของฉันเนี่ยอย่าได้บูชาเวิตอัสนามรูปปั้นหรือเวิตปีน้องครับเป็นจุดร่วมของการตั้งภาคียังไงบ้าง ในบ้านเมืองที่นบีบรอฮิมอยู่นี่ยพี่น้องเคยตั้งคําถามมันทำให้บรอฮิมต้องไปสังเกตดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วตั้งคาถามทีละอันว่าอันนี้เป็นเจ้าใช่ไหมเอาดวงดาวไม่ใช่ดวงจันทร์เป็นเจ้าใช่ไหมเอาไม่ใช่ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าใช่ไหมนบีบรอฮิมตั้งคาถามแบบนั้นเพราะว่าในบ้านเมืองของท่านบูชาดวงดาวบูชาดวงดาวไม่พอเนี่ยนะครับก็มีการ จำลองว่าในดวงดาวที่เป็นพระเจ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีรูปแบบแบบนี้แล้วก็มาปั้นเป็นเชวิตแล้วก็บูชาเชวิตร์จเป็นจุดร่วมของการตั้งภาคีบูชาดวงดาวอยู่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันกราบไหว้แบบแบบจะชัดๆเนี่ยนะครับก็จําลองความเชื่ออาจจะเป็นเทพสุริยะเทพดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่หน้าตาอย่างกันแล้วแต่ปั้นขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้ นึกออกมาสุดท้ายของการตั้งบาคีมันจะมาที่เจเวิตอา้าวสมมติว่าบูชาบูชาภูเขาบูชา บ, า บ, ชาบรรพบรุษนึกออกมาบูชาวีรบบรุษที่ตายไปแล้วเป็นโดมิ ญ, ญานไปแล้วเวลาจะบูชาเนี่ยก็จำลองออกมาเป็นเทพเจ้ามุเทพเจ้านี้เป็นเจเวตขึ้นมาแล้วก็บูชาสุดท้ายเนี่ยนะครับทำไมล่ะมันจะจบที่เจเวิต ไม่ว่าคุณจะกล่าวว่า้สิ่งไหนก็แล้วแต่นะ ก, าากาาราบไหว้กราบไหา้พอถึงจุดหนึ่งนมนุษย์ต้องการอะไรที่มันเป็นวัตถุจับต้องได้กราวว่าได้ก็จะปั้นจเจว็ตขึ้นมาฉะนั้นในอิสลามเนี่ยจึงใช้เขาจะจึงเตือนอย่างหนักว่าอย่าบูชาเจว็ตต่อให้เราบอกว่ า, จาเจว็ตตัวนี้คือลูกขอร้อนนะอิสลามก็ยังห้ามไม่ได้อืมบูชานี่นี่คื อ, อลูกขอร้อนเราบูชาร้อนนะก็ยังไม่ได้ หรือไม่ใช่จะเวดเป็นแค่ตัวอัลลอฮ์ในเขียนอันลลอฮ์แปะไว้ทางฝาแล้วก็บูชาก็ยังไม่ได้ตัดทุกอย่างเลยมุสลิมอิสลามมันตัดทุกอย่างที่จะนําไปสูก่การตั้งปาคีหฉะนั้นการละมาดเนี่ยเราละมาน ต, ตอนเลาะจึงไม่จะเป็นต้องมีสิ่งแทนใดทั้งสิ้นกบมาคือไม่ใช่กามาเป็นแค่จุดในการหันทิศไปนะครับป้องการการตั้งปาฏีเพราะในความเชื่อต่างๆที่มีมาทั้งหมดเนี่ยมันมันจบที่อัสนาม มาจบที่รูปปันซึ่งน บ, บีอิบรอฮีมเองเนี่ยคนที่ขอดุอาบทนี้ก็เห็นด้วยกับตัวเองแล้วว่าในบ้านที่เกิดบ้านเมืองที่เกิดอูดทกันดานที่อิรักเนี่ยนะครับบูชาดวงดาวสุดท้ายก็มาจบที่เจเวิตเบินทางมาที่อียิปต์สุดท้ายเดินทาออมาก็บูชาเทพเจ้าสุดท้ายก็ต้องมีเจเวิตไปเปรเลสไตน์ก็ต้องมีเจเวิตวันนี้มาถึงมักกะหวังว่าจะไม่มีเจเวิตเลยขอดุอาบทนี้ ให้ตัวฉันได้ลูกหลานของฉันรอดพ้นจากการบูชาจเจวีนั่นคืออายาทีสาสิหนะครับต่อมาในอายาทีาิหครับรับบีโอพระชา้าของฉันอินนาหุนนาแท้จริงพวกมันนั้นโกเจวินนั้นทำไมเออรอัดดลันนาการซีรมมินันนาสทำให้มนุษย์หลงทางเป็นมากมาย ฝามันตาบีอันีฝ้ายินนใครที่ตามฉันนี่ก็พูดตัวมิบอฮิมาก็อ่านเป็นคำพูดขอร้องแต่เล่าว่าในมิบอฮิพูดแบบนี้ฝ้ายินฝายินนาหูมินีใครที่ตามฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันฝามันอซอนีใครที่ฝาฝืนฉันฝ่าฝืนดุวอาที่ฉันขอเมื่อกี้ว่าอย่าให้ลูกหลานของฉันบูชาจเจวิเนี่ยฝ้าินนักก็ฟูร่ฮิมทําไมเอ่ยแท้จริงออลล้อนั้นเป็นผู้ซึ่งเอาภัยโทษยิ่งแล้วก็เมตตายิ่ง สิ่งที่น่าสนใจที่มิวเทมบอกว่าอินนาหุนนาอัตลันนากาตีรันมินันนาสเจวิตมันหลอคนหลอกมนุษย์มากมายจริงเพราะว่าสุดท้ายเราไปดูแล้วการตั้งภาคีส่วนมากจะจบที่ชเวิตไม่ว่าจะเคยบูชาอะไรมากันแล้วแต่จะเป็นเจ้าจะเป็นธรรมชาติจะเป็นดวงอาทิตย์เป็นวิญญาณที่ไม่มีลูกเต๋อไม่มีลูกพันุ์อะไรกันแล้วแต่สุดท้ายมาจบที่เจวิต ในความเชื่อแถบอุซากันเอเน่เนี่ยตะกรูกปั้นก็ยังไม่มีนาแต่แพร่มาจะเกลียดพวกเกลียดทรูปปั้นรูปคารบเราก็เลยมีรูปคารบเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยทางแถบเอเชียคันเน่เนี่ยแพาาร์มัจะเกลียสุดท้ายมันจะมาจบที่ที่อัสนามดูอาบที้จึงบอกว่าอัสนามนี่แหละหลองคนมากมายดังนั้นในลูกหลานของนบีบรอยฮิมเนี่ยใครที่ตามนบีบรอยฮิมทําไมเอย่ยเป็นส่วนหนึ่งของฉัน เป็นผู้ศรัทธาเหมือนนบีบรอฮิมแต่แต่ใครฝ่าฝืนผู้ชาเจเวทําไมเอ่ยอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษยิ่งแล้วก็เมตายิง่งไม่ได้ขอให้ลงโทษนาะงหวังว่าพระองค์จะอภัยโทษพระองค์จะเมตตาและก็ส่งศาสนาทูตมาเปลี่ยนพวกนั้นให้กลับมาสู่ผู้ศรัทธานี่คืออุอาของนบีบรอฮิมยังไม่หมดแค่นี้สัปดาห์หน้ายังมีอีกนะครับผมทวนอายะในวันนี้นะครับวันนี้ห้าอายะ เนื้อหาจะแบ่งเป็นสองส่วนสามสิบสองสาสิบสามสาสิบสี่พูดถึงความโปวดปานที่อลัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นะวันนี้พยอยากจะเน้นประเด็นว่าไม่ใช่แค่ผู้สร้างอย่างเดียวผมต้องการจะนํานําเสนอว่าในการสร้างขอลัลลอฮ์มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้และการให้ประโยชน์อันนาเฟียก็เป็นพระนามหนึ่งแ ล, ละลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ด้วยฉะนั้นในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องการจะรู้จักอลัลลอฮ์มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่คอลิก ต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่อลลอสร้างให้มาเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างถ้ามองแบบนี้มันจะนำไปสู่นวัตรกรรมเราจะต่อยอดได้ต่อมานะครับเอลลพูดถึงหลายอย่างเลยนะครับพูดถึงชั้นฟ้าฝนที่มาจากฟ้าพืชผลการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็กระแสน้ำในแม่น้ำพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันและก็กางคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องกลับไปดูเนี่ย มันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้านเยอะไปหมดเยอะมองว่ากลางคืนไว้นอนกับวันไว้ตื่นนะครับพืช ผ, ผลเอาไว้กินไม่ใช่แค่นั้นนะมันส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเปลี่ยนไปการวิถีชีวิตจากเล่ร่อนตั้งถิ่นฐานตั้งถิ่นฐานเป็นอาาจักรพัฒนาศาสตร์วิทยาการต่างๆนะครับการติดต่อทางทะเลนะการเผยแพร่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเครื่องบินแล้วเนี่ย การชิปปิ้งทางเรือก็ยังใช้อยู่นะ<ม>ก็ยังส่งของทางเรืออยู่ยังมีความสําคัญอยู่นี่คือสิ่งที่เราให้มนุษย์ใช้ประโยชน์นะครับสิ่งที่ให้มาเนี่ยเยอะไปหมดนับไม่ถูกนับไม่ทั่วแต่มนุษย์ยังจัลูมูลกัฟารยังเป็นผู้ที่อารรมตั้งภาคีแล้วก็ปฏิเสธตอ่อเรานั่นคือสามอายาสามสิบสองสามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่ในอายาที่สามสิบห้าอายที่สาสิบหก พูถึงนบีบรอฮิมนบีบรอฮิมขออุทอายอย่างไงไว้บ้างขอให้มักกะเป็นแผ่นดินซึ่งปลอดภัยแล้วก็ไม่มีชเวินั่นคือนบีบรอฮิมนะแต่ดุอายบทนี้เนี่ยมุสลิมทุกคนสามารถขอได้มันแสดงให้เห็นว่ามุสลิมปรารถนาดีในฐานะพลเมืองคนหนึ่งนะครับหวังว่าบ้านเกิดเมืองนอนจะมีความสันติฉะนั้นมุสลิมต้องไม่สร้างปัญหา ไม่สร้างอันตรายไม่สร้างความที่เรกว่าคุกคามต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราบิจินฮาดันบะรดนันอามีนานเราหวังว่าประเทศเมืองที่เราอยู่จะมีแต่ความสงบสุขนะครับประเด็นหนึ่งที่ดิวริบไคอิมห่วงก็คือว่าอัสนามรูปปันในอายะที่สามสิบห้าสามสิบหอบิบนบอมบอกว่า ร, บบรับบิ อ, บบอินนหุนาอัตลนานะ การที่รัมินานนาสเวิตเนี่ยหลอกมนุษย์เยอะหลอกลวงมนุษย์มากมายเพราะว่าการตั้งภาคีเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจะมาจบที่เวิตจะบูชาอะไรกันแล้วแต่แหละสุดท้ายมันจะกลายเป็นวัตถุให้บูชาไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายนะด้านบนทีมจบอกว่าใครติดตามฉัน ลูกหลานของฉันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันส่วนคาที่ฝ่าฝืนฉันเอาล้อทรงอภัยโทษยิงแล้วก็เมตตายิง่งไม่ได้แช่งเลยนะนะครับหวังว่าด้วยกับลักษณะของล้อกอฟูดกับระราหีมเนี่ยหวังว่าคนเหล่านั้นจะกลับมาสู่ทางนำ น, นี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับบิลลาฮิเตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุ๊มวะราับมุลลอฮิวะเบราคา